เรื่องนี้จะเป็นเรื่องของวัยรุ่นคนหนึ่งที่ได้เจอกับประสบการณ์สยองขวัญเข้าซึ่งผมจะขอเล่าแทนตัวละครนี้ให้เหมือนกับว่าเป็นผมได้เจอมาเองเรื่องนี้ผ่านมาได้หลายปีแล้วแต่ผมยังไม่เคยลืมมันเลยตอนนั้นผมอยู่ในช่วงปิดเทอมพ่อกับแม่ก็ไปต่างจังหวัดทิ้งให้ผมอยู่บ้านคนเดียวซึ่งผมก็รู้สึกเบื่อเบื่อจึงนัดเพื่อนออกไปเที่ยวกลางคืน แต่ก่อนนั้นก็เหมือนจะมีลางบอกเหตุด้วยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับเพื่อนของผมคนหนึ่งสมมติว่าชื่อแชมป์วันนั้นเราเดินเล่นกันอยู่สี่คนแถวแถวบ้านคุยเล่นกันไปตามปกติผ ม, มรู้สึกว่าแชมป์เริ่มมีบางอย่างที่ผิดปกติไปไม่เหมือนเขาคนเดิมในแบบทุกๆวันเขาเดินช้าๆลูกตามีสีดำสนิทไม่มีแววขอบตาแดงหน้าหมองคล้ำและดูขำเครียดยังไงชอบกลเหมือนคนอ่อนแรง ดูไม่เหมือนเพื่อนคนเดิมของผมตอนแรกผมนึกว่าแชมป์คงไม่สบายผมจึงไม่คิดอะไรมากขณะที่เราเดินผ่านหน้าวัดก็ได้พบกับพระรูปหนึ่งท่านจึงทักเพื่อนของผมว่าโยมคนนี้มันทำบุญบ้างนะซึ่งวันนั้นผมและเพื่อนๆรวมไปถึงแชมป์ก็ยังไม่ได้คิดอะไรก็พากันไปสังสรรค์ที่ร้านตามปกติ แชมรู้สึกว่าอากาศวันนี้มันร้อนยังไงชอบกลผมก็คิดว่าแชมคงเริ่มเมาแล้วมากกว่าจึงชวนกันกลับไปดื่มต่อที่บ้านของผมเพราะไม่มีใครอยู่และถ้าเมาก็จะได้นอนต่อที่นั่นได้เลยพวกเราจึงออกจากร้านขี่มอเตอร์ไซค์มาเรื่อยๆแชมปนเรียกผมให้จอดรถและเขาก็บอกว่าจะขอแวะเข้าไปบอกแม่หน่อยว่าคืนนี้จะไม่กลับบ้าน ผมเริ่มเอกใจอะไรบางอย่างเพราะถ้าเป็นปกติแม้ว่าแชมป์จะไปเที่ยวกลางคืนไม่ได้กลับบ้านสองสาวันก็ไม่เคยบอกแม่สักทีแต่ครั้งนี้เห็นว่าจะกลับไปบอกแม่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแชมป์จึงเลี้ยวรถเข้าบ้านพร้อมกับตะโกนบอกพวกเราว่าให้ล่วงหน้าไปก่อนเมื่อผมไปถึงบ้านก็เตรียมเครื่องดื่มอาหารกับแก้มทุกอย่างแต่นานเข้าแชมป์ก็ยังไม่มารออยู่ตั้งสองสามชั่วโมง ผมเริ่มเป็นห่วงแชมป์เพราะยังไงพวกเราก็ดื่มกันมาก่อนเมื่อลองโทรหาก็ไม่มีใครรับสายจึงตัดสินใจว่าจะขี่รถไปดูที่บ้านของแชมป์แต่เมื่อไปถึงก็เห็นญาติๆของแชมป์นั่งหน้าเศร้าบางคนถึงกับร้องไห้ผมจึงถามว่าเป็นอะไรก็ได้รับคำตอบว่าแชมป์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนกับสิบล้อเสียชีวิตคาที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสภาพศพของแชมป์นั้นสาหัสมากทั้งคอหักแขนขาหัก ไสทะลักเลือดไหลท่วมตัวและจนดูไม่ได้พิธีศพของแชมป์ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายและเต็มไปด้วยความเศร้าโศก ข, ของเพื่อนๆและญาติในส่วนตัวของผมเองวันแรกนั้นผมไม่ได้ไปร่วมงานด้วยเพราะยังรู้สึกเสียใจและทำอารมณ์ยังไม่ถูกแต่ก็ได้รู้ข่าวจากการที่เพื่อนคนอื่นได้ไปงานศพกัน วันที่2ผมจึงทาใจได้และไปร่วมงานศพของเพื่อนรักของผมบรรดาญาติของแชมป์ต่างไม่พอใจผมนักซึ่งคิดว่าผมคือสาเหตุที่ทาให้แชมป์ตายเพราะผมชวนเขาไปดื่มด้วยซึ่งถ้าผมไม่ชวนเขาออกไปเที่ยวแชมป์อาจจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ก็ได้ผมไม่ตอบโต้อะไรเพราะยังไงก็รู้สึกผิดและเสียใจกับการจากไปของเพื่อน คืนนั้นขณะที่เดินออกมาจากวัดลมก็พัดเหมือนมีคนหายใจผ่านหน้าไปผมคนลุกไปทั้งตัวรีบเดินกลับบ้านเพราะตัวผมเองได้แต่ซ้อนเพื่อนๆมาแต่เพื่อนคนอื่นๆก็ยังไม่ได้กลับในเวลานี้ระหว่างที่ผมเดินกลับจากวัดไปยังบ้านซึ่งแม้จะไม่ไกลนักแต่บรรยากาศในคืนนั้นกลับเงียบสงัด ไม่มีรถสัญจรไม่มีผู้คนเดินผ่านเมื่อเดินไปได้ถึงจุดหนึ่งผมก็เห็นคนจูงรถมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าผมเอะใจทันทีเพราะคนคนนั้นมีลักษณะคล้ายกับแชมป์มากแต่ก็โล่งอกอยู่บ้างเพราะคนนี้ดูจะไม่เหมือนแชมป์ซะทีเดียวเพราะในวันที่เสียชีวิตแชมป์นั้นสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนแต่คนที่ผมเห็นอยู่ข้างหน้าในระยะสัก100เมตรเป็นผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตสีแดง อากาศในคืนนั้นหนาวเย็นผิดปกติหมาที่อยู่ตามบ้านาต่างๆก็เห่าหอนขึ้นผมเริ่มกลัวใจก็ยังคิดว่าใครกันนะที่มาจุงรถคันนั้นอยู่ข้างหน้าผมไม่กล้าเดินแซงจึงทิ้งระยะห่างเอาไว้แบบนี้ไปเรื่อยๆในใจก็กลัวกล้กลาๆจนเมื่อใกล้จะถึงบ้านคนคนนั้นก็จุงรถผ่านหน้าบ้านของผมแล้วก็จอดรถเหมือนกำลังมองหาใครในบ้านซึ่งมันจะเป็นไปได้อย่างไร เพราะคนในบ้านนั้นก็เหลือผมเพียงคนเดียวจากนั้นชายคนนั้นก็นั่งสุดเข่าลงแล้วเริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้นจากนั้นชายคนนั้นก็เดินต่อไปเลยบ้านผมลึกเข้าไปในสวนข้างทางปแปลกมากที่ผมพยายามเดินอย่างไรก็เดินตามเขาไม่ทัน ซึ่งเขาเองก็ไม่ได้หันมามองผมเลยแม้ว่าบางครั้งผมจะร้องตะโกนเรียกอย่างน้อยที่สุดคนคนหนึ่งเมื่อได้ยินเสียงร้องตะโกนขึ้นก็ควรจะหันกลับมามองบ้างแต่ชายคนนี้กลับไม่สนใจเหมือนกับไม่ได้ยินเสียงที่ผมตะโกนขึ้น ทางที่ผมเดินตามมานี้มันเป็นทางที่เปลี่ยวมากและปกติขนาดตอนกลางวันผมเองยังไม่ค่อยเดินมามองย้อนกลับไปก็เห็นแต่ทางมืดๆสองข้างทางก็เป็นต้นไม้เป็นป่าเป็นสวนของชาวบ้านแถวนั้นผมเริ่มกลัวอีกครั้งพอคิดว่าเดีย๋ยวจะต้องเดินกลับไปคนเดียวเราควรจะเดินกลับไปตั้งแต่ตอนนี้หรือยังไงกันดีระหว่างที่คุณคิดอยู่นี้จู่ๆหมาในระแวกนั้นก็เห่าหอนขึ้น ผมตกใจมากจึงรีบวิ่งกลับไปยังบ้านไม่สนใจสองข้างทางที่มันเป็นความมืดแล้วรู้สึกเหมือนว่ามีใครแอบมองผมอยู่จากมุมนั้น คืนต่อมาผมไม่ได้ไปร่วมงานศพเพราะญาติญาติของแชมปดูจะไม่ชอบหน้าผมนักผมจึงออกไปหาอะไรดื่มแก้เซง็งระหว่างทางกลับบ้านนั้นวันนี้ผมขี่รถมอเตอร์ไซค์มาพอใกล้จะถึงบ้านหมาก็เริ่มเห่าหอนขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เด็กกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งเต็มไปหมดและเมื่อไปใกล้จะถึงบ้านผมก็เห็นชายที่ใส่เสื้อเชิ้ตสีแดงคนเดิมคนนั้นกาลังยืนอยู่หน้าบ้านผมเช่นเดิม แล้วจูจ่ๆก็มีลมพัดมาจากที่ไหนก็ไม่รู้พัดเอาฝุ่นมาเข้าตาของผมผมจึงหลับตาแล้วขยี้อยู่ครู่ใหญ่เมื่อลืมตาตื่นขึ้นเขาคนนั้นก็หายไปแล้วผมขับรถไปจอดที่หน้าบ้านของผมและพยายามสังเกตที่หน้าบ้านซึ่งเป็นพื้นทรายดังนั้นเมื่อมีใครมาเหยียบก็จะต้องเห็นรอยเท้ากันบ้างแต่นี่ผมกลับไม่เห็นอะไรเลยในวันสุดท้ายที่จัดพิธีเผาศพของแชมผมได้ไปร่วมอาลัยกับเพื่อนคนนี้ แล้วผมก็ตกใจมากในตอนที่สับเ ป, ปเหลินั้นเปิดฝาลงเพื่อจะได้ดูศพเป็นครั้งสุดท้ายเพราะแชมป์ที่นอนอยู่ในโรงนั้นใส่เสื้อเชอิ้ตสีแดงเหมือนกับชายคนที่ผมเห็นมายืนร้องไห้อยู่ที่หน้าบ้านของผมในวันนั้นผมยังได้เจอกับพระทันที่ทักแชมป์ก่อนที่จะตายผมจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้แก่ท่านฟังท่านจึงบอกว่า แชมคงตั้งใจมาให้ผมเห็นเขาคงรู้ตัวว่าเขาตายไปแล้วและเขาก็อยากจะคุยกับผมแต่คงกลัวว่าผมจะตกใจเพราะบางคนถ้าเจอเรื่องแบบนี้อาจจะเสียสติหรือเป็นบ้าไปเลยก็มีการกระทำของแชมนั้นในทางความเชื่ออันลี้ลับนี้เขาเรียกกันว่าการเก็บรอยเท้าซึ่งเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆจนหมดทางที่จะไป ท่านเองยังเล่าให้ผมฟังว่าท่านก็เห็นแชมป์มานั่งร้องไห้ที่หน้าลงศพทุกคืนท่านยังเดินเข้าไปกล่าวกับแชมป์ว่าให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิดคนเราเกิดมาก็ต้องตายกันทุกคนโยมจะยึดติดอยู่ที่นี่ไปมันก็มีแต่จะทําให้ตนเองนั้นเป็นทุกข์ในทุกๆปีที่เป็นวันตายของแชมป์ผมมักจะไปทําบุญและอุทิศ ส, ส่วนกุศลนี้ให้แก่เพื่อนของผมหวังว่าเขาจะไปสู่ที่ชอบที่ชอบ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผมก็ไม่เคยเห็นแชมป์อีกเลย